ต่างก็มืดต่ออดีตรู้ไกลออกไปไม่ถึงแม้เพียงการเกิดล่าวนี้ของตนเองแม้แต่ชีวิตตนเองที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ก็ไม่รู้และมองไม่เห็นอนาคตแม้เพียงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรข้อสรุปที่สามถ้าจะพิสูจน์หลักมีว่าสิ่งที่เห็นต้องดูด้วยตา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 การพิสูจน์จึงควรเป็นไปดังนี้ข้อที่หนึ่งพิสูจน์ด้วยจิตท่านให้ต้องใช้จิตที่เป็นสมาธิแนวแน่ถึงที่แต่ถ้าไม่ยอมทำตามวิธีนี้หรือกลัวว่าที่ว่าเห็นในสมาธิอาจเป็นการเอานิมิตหลอกตัวเองก็เลื่อนสู่วิธีต่อไป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 หรือเชื่อมากขึ้นเป็นต้นซึ่งรวมอยู่ในขั้นของความเชื่อเท่านั้นข้อสรุปที่สี่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะพยายามพิสูจน์ให้การและการดูได้แค่ไหนก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหนีพ้นทุกคนต้องเกี่ยวข้อง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 สิ่งที่ควรกล่าวถึงจึงได้แก่ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้บาลีชั้นเดิมคือพระสูตรทั้งหลายกล่าวบรรยายเรื่องชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไว้น้อยนักโดยมากท่านเพียงเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงเท่านั้นแสดงถึงอัตราส่วนของการให้ความสนใจแก่เรื่องนี้ว่ามีเพียงเล็กน้อย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในโลกหรือข้อปฏิบัติจำพวกศีลสมาธิปัญญาในพระไตรปิฎกเล่ม14มีพระสูตรต่อกันสองสูตรคือภาละปันฑิตาสูตรและเทวทูตสูตรเป็นที่มาสำคัญของวันในคดีเกี่ยวกับนรกสวรรค์สมัยต่อมาในเล่มส2องเอ่ยชื่อนรกสามขุมในเล่ม21 กล่าวถึงการไปเกิดในเทวโลกและอายุเทวดาและพึงดูเรื่องวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตววาส9เช่นในพระไตรปิฎกเล่มส1บอ็ดหรือเล่ม23บสาบาลีเมื่อกล่าวถึงผลร้ายของกรรมชั่วและอนิสง์ของกรรมดีถ้ากล่าวถึงการไปเกิดในนรกหรือสวรรค์มากล่าวไว้ต่อท้ายผล ที่จะประสบในชีวิตนี้โดยกล่าวถึงผลในชีวิตนี้4 5ถึงหถึงข้อและถึงจบลงด้วยคำว่าเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหรือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อสังเกตในเรื่องนี้มีสองอย่างคือประการแรก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 และจะได้ไม่เน้นการทำกรรมดีแบบเป็นการลงทุนเพื่อสแสวงหาผลกาไรสำหรับคนที่เชื่ออีกด้านหนึ่งความเชื่อต่อชาติหน้านั้นควรช่วยให้เลิกหรือให้บรรเทาการพึ่งพาอาศัยอำนาจดลบรรดาลหรือสิ่งลึกลับในภายนอกลงด้วยเพราะการเชื่อชาติหน้าหมายถึงการเชื่อกรรมดีที่ตนกระทา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 หากผู้ใดถลำตัวหวังพึ่งอำนาจเหล่านั้นไปบ้างแล้วก็ควรรีบถอยตัวออกมาสร้างเรียวแรงกำลังของตอนเองขึ้นใหม่โดยเร็วสำหรับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะต้องพยายามก้าวไปหรือได้รับการสอนให้ก้าวไปจนถึงขั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดี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 ต้องการความประณีตหมดจดมุ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุอุดมสภาวะของมันในเรื่องนี้ดูได้จากบทที่14ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ 2. ส, สร้างความใฝ่รักในปีติสุขอันประณีตลึกซึ้งภายในและให้ความใฝ่ปีติสุขปราณีต หรือการได้ประสบปิติสุขประนีตนั้นเป็นเครื่องป้องกันการทำชั่วและหนุนการทำดีโดยตัวของมันเองทั้งนี้เพราะการที่จะได้ปิติสุขประนีตนั้นย่อมเป็นเงื่อนไขอยู่ในตัวว่าต้องเว้นทุจริตประกอบสุจริตและการได้ปิติสุขประนีตนั้นแล้วก็จะเป็นแรงนวงเหนียวไม่ให้หลงไหลากาม ถึงขั้นที่จะประกอบกรรมชั่วร้ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับปีติสุปราณีตขั้นโลกีอาจต้องระมัดระวังบ้างที่จะไม่ให้ติดเพลินมากเกินไปจนเสียงานหรือหยุดความก้าวหน้าข้อนี้ให้ดูบทที่15เรื่องความสุข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 มองชีวิตจิตใจของมนุษย์อื่นสัตว์อื่นด้วยความเข้าใจอย่างเห็นทุกสุขและความต้องการของเขาพอที่จะทำให้คิดการในทางที่เกื้อกูลช่วยเหลือด้วยกรุณาใจไม่โน้มน้อมไปในทางที่จะเบียดเบียนผู้อื่นข้อนี้นับเป็นขั้นแห่งการดาเนินชีวิตของท่านผู้ได้เข้าถึงโลกุตระธรรมซึ่งมีโลกุตระสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว หรืออย่างน้อยก็เป็นขั้นของผู้ดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตระธรรมนั้นถ้าแม้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็เป็นอยู่ด้วยศรัทธาที่เป็นบุพภาภะของปัญญานั้นคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นไปเพื่อปัญญาซึ่งเชื่อในวิถีทาง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 เชื่อมันในคำสอนของพระองค์คือพระธรรมเชื่อมั่นในชุมชนผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นและประสบความสำเร็จในการมีชีวิตที่เป็นอิสระเช่นนั้นด้วยคือพระสงฆ์รวมเรียกว่าศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยดูบทที่11ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอริยชน ความจริงหลักปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้เนื่องถึงกันใช้ประกอบเสริมกันได้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งต้องใช้ในการทำสิ่งดีงามทุกอย่างจึงเป็นที่อาศัยของข้อ2และ3ด้วยถ้าปฏิบัติได้ตามหลัก3ข้อนี้ความเชื่อเรื่องผลกรรมในชีวิตหน้าก็จะเป็นเพียงส่วนช่วยเสริมความมั่นใจในการเว้นชั่วทาดีให้มั่นคงแน่นแฟนยิ่งขึ้นสาหรับบางคน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 มุ่งแต่สแสวงหาอามิตรมาปรนเปรตตนซึ่งมีแต่จะทำให้การเบียดเบียนและความชั่วร้ายนาน า, นาระบาดแพร่หลายนำชีวิตและสังคมไปสู่หายนะทายเดียวและถึงอย่างไรความเชื่อผลกรรมชาติหน้าก็จัดเข้าในโลกิยะสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อให้ก้าวหน้าไปในทางดีงามได้ง่ายขึ้น